M.U.T.T. Farm Shop ยินดีดต้อนรั บ, รบค่ะที่นี่เราวางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปสดสะอาดนละปลอดภัยไส้กรอกไร้แป้งไร้สารกันบูดเนื้อหูว่ะพรีเมียมว้าวผักสดผักสลัดไข่เห็ดนงสดจากฟาร์มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอื่นอื่นอีกมากมาย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 เ้าวันศุกร์แบบนี้นะครับเจอกันทาง FM89.5 วิทยุราชมงคลทัญบุรีเครื่องเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับเจอกันกับผมปิยพงษ์เคนทวายพร้อมด้วยคุณอาทิตยา ป, ปักระธานาทำหน้าที่ในเวลานี้ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะปิยพงษ์สวัสดีครับผมะนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้นะเป็นวันศุกร์แล้วก็เรียกได้ว่าครึ่งเดือนแล้วไหมคุณปิยพงษ์ใช่ฮะสาเนาะเดือนนี้สาวัน แล้วก็ถือว่าโอ้บางบางท่านเนี่ยเขาไม่การนับวันนะว่าเหลื อ, อีกกี่วันที่จะเป็นวันปีใหม่ครับเช้านี้น <ะ S 1> พร้อมไหมฮะ พร้อมนี่คื อ, อยังไงคะพร้อมฮะมีมาตราการใหม่ชิมชอบใช้เฟ ส, สา ม, มาแล้วจริงะะจริงเขาเปิดตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะค<ม>ะซึ่งวงเช้านี้เตรียมตัวให้พร้อมแรงจูงใจไม่ค่อยมีนะั่นแหละคุณบอกคือส่วนหนึ่งจากที่คุยกับนักวิชาการหรือผู้ที่อยู่ในวงการทางด้านของการส่งเสริมเรื่องของการทำธรุรกิจเองเนี่ยท่านก็มองว่าอาจจ ะ, ะต้องมีมาตราการในการที่จะเชื่อมโยงกับร้านค้านะอเราจะเห็นได้ว่าตัวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบ ประชาชนเองเนี่ยมีมาตรการออกมาแล้วจากช่วงหนึ่งสองเองเนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขซะเยอะหน่อยจะใช้ทีต้องข้ามจังหวัดออืนะถูกไหมใช้ที่อยู่ต่างจังหวัดเองมาทำงานในหัวเมืองใหญ่ๆเองก็อาจจะได้เปรียบหน่อยแต่ถ้าคนไหนที่อยู่ในจังหวัดแล้วไม่ได้ไปไหนเลยแล้วจำเป็นจะต้องใช้เงินต้องข้ามจังหวัดไปแล้วพอจะส่งเสริมให้เรื่องของการเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าเบอร์สองเนี่ยค่ะมันก็มีมีแรงจูงใจมากพอ <Ừ. S 2> ถูกไหมส่วนใหญ่ต้องบอกว่าคนเขาลงทะเบียนเพื่อต้องการเงิน 1,000 บาทถูกนะฮะเอาตามความจริงแล้วนะเาความจริงนะาความจริงรู้ฝั่งอันนี้คือความจริงเหมือนกับว่าเวลาเราอยากจะซื้อของเราไม่ต้องควักเงิน1000บาทเราใช้เงินในส่วนนี้ที่ได้มาจากรัฐบาล ใ, ในการจ่ายคือพอจะเติมในในใ น, ในใบที่สองเองเนี่ยมันก็ยังไม่รู้ว่าเอ้เราจะเติมไปเนี่ยมันมันใช้อะไรได้บ้างเพราะมันมันก็ต้องแบบมีร้านที่ลงทะเบียนนะ แล้วจริงๆต้องบอกว่า 15% เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้านับกันอย่างงี้นะก็ไม่ได้เยอะอนะสิาเปอรก็คือใช้เป็นหนึบาทคือ15บาทประมาณนี้ ค, ค, คือในระบบซะด้วยสิไม่ได้ลดเลยอพอคืนไปเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวคงแบบอ่าเดีไปใช้ต่อนะอ่าก็คงไปใช้ต่อแต่ก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะคะรับผมว่าเดี๋ยวตัวปีใหม่ออกมาเนี่ยที่เป็นเฟสสามออกมาแล้วก็ใช้ยาวไปถึงสิ้นเดือนมกราคมเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งเองเนี่ยเดี๋ยวสิ้นปี คนงซื้อของใช่ค่ ะ, ะซื้อกระชงกระเช้าของขวัญปีใหม่ปีเที่ยวนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ถ้าคือบางอย่างเนี่ยคุณผู้ฟังมันอย่างเขาก็บอกว่าเราไม่รู้ว่าร้านห น, ม, นมันลงทะเบียนบ้างอะ่ะก็ดูในแอปสี่บางทีแบบโอ้มันมันเยอะมันมัน ปนกันไปหมดอะคือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะมองว่าเงินที่ใช้ในตรงนี้ในมาตรการที่รัฐบาลเขาจะมีการผูกบัญชีนะคะก็จะเป็นเรื่องของอวิสาหกิจชุมชนนะมีเรื่องของอเขาเรียกว่า เป็นอาชีพของอชุมชนที่จะมาผูกบัตรซะเป็นส่วนใหญ่ครัประชารัฐประมาณนั้นแต่ว่าบางคนบอกว่าบางอย่างเรามีอยู่แล้วเปียบโผงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะได้ก็อย่างเช่นอาจจะเป็นของสวยๆงามๆเสื้อผ้าบ้างล่ะรองเท้าบ้างล่ะนะคะหรือว่าเป็นพวกเครื่องสําอางนะเป็นเรื่องของของใช้ที่บางทีเราจะมองว่ามันไม่ได้ใช้ในชีชวิตประจําวันนะคะก็เป็นการใช้ในส่วนอื่นๆเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าอาที่ฉันมองอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเราเราทำให้มันกลายเป็นกระเป๋า2นะคะไปใช้เงินในส่วนนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะคืนเงิน 15-20 เซในตามเรทที่รัฐบาลกำหนดเนี่ยนะคะน่าจะเวิร์กกว่าหรือเปล่าเหมือนเราไปช้อปอะ11เด11ที่ผ่านมาอยูพงศ์บางคนบอกว่าปกติเนี่ยร้านเนี่ยเขาก็ว่าลดแล้วนะะบางร้านเนี่ยเขาลดจริงรแต่บางร้านเนี่ยเ อ, เอ้าปรากฏว่าเอ๊ะ เมื่อก่อนนี้มันถูกกว่านี้เ็ามีเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่า1 1 1เลเนี่ยลด 15% ้อนก็ถือว่าลดเยอะนะครับถ้ามองในมุมที่ว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าแอปพลิเคชันเป่าตังสงเนี่ยเขาจะเป็นลนักษณะแบบนี้บ้างล่ะเป็นการผูกกับร้านค้าอื่นๆที่อาจจะนอกเหนือเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันนะอาจจะเป็นสินค้าต่างๆสินค้าด้านความงามอย่างสมมติว่า คุณซื้อเนี่ยคุณเปียวพง์ก็ซื้อม้อไฟฟ้ามาใช่ไหมถ้าสมมติว่าม้อไฟฟ้ามาลูกได้แล้วลดสิคุณว่าดีไหมอันนี่น่าสนใจนะอาจจะต้องอยู่ที่เรื่องของการเลือกร้านต่างๆด้วยหรือเปล่าก็มาตราการกันไปนะฮะมาก่อนที่จะไปเรื่องของชิมช็อปใช้มาดูดราม่ากันหน่อยอหมเซฟน้ำจิ้มสีฟูตคือเขาก็อยู่ของเขาดีๆนะ คือจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีใครเปิดท็อปปิกมาเลยแต่มันมีคนคนหนึง่งที่เปิดท็อปปิกในทวิตเตอซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะแบบอุ้ยงงมากเลยเข้าไปในทวิตเตอเนี่ยเขา<ต>มีแฮชแท็กเกิดขึ้นเม่จริงๆผมว่าในตัวโลกของทวิตเตอเองเนี่ยคุณต้องแบบเป็นประเด็นฮอตจริงๆนะใ ค, ะคุณต้องถูกแบบถึงเข้ามามาพูดถึงคุณต้องแบบรีขึ้นมานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยในในทวิตหนึ่งเนี่ยนะคะที่จะดังเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีความเห็นต่างแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเอมันเอ� เกิดขึ้นในใจของคนที่ได้อ่านชวิตนั้นะนะคะอย่างล่าสุดค่ะก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งนะคะมีการแชร์แล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะเซฟน้ําจิ้มอ่าเป็นแฮชแท็กเซฟน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ S A V E นะเซฟเป็นทับศัพท์นะคะแล้วก็ใช้ภาษาไทยน้าจิ้มซีฟู้ดซึ่งเขาติดเทรนด์กันเยอะมากเลยเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นนะคะจากการที่มีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งนะคะ <S <S โพสต์ขอ้อความบอกว่าน้ําจิ้มซีฟู้ดคือตัวสะท้อนว่าอาหารบ้านราวัตถุดิบห่วย น้ำจิ้มซีฟู้ดรสมันจัดมากจิ้มที่ทำให้กลบกลิ่นกลบรสชาติของอาหารหมดเลยงานนี้ต้องเรียกว่าชาวทวิตเตอร์ที่เป็นน่าจะเรียกว่า โปรตีนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะก็ออกมาแสดงความเห็นต่างและเกิดกระแสกันมากมายตอนนี้นะคะจนเกิดแทสชักนี้เกิดขึ้นนั่นเองดิฉันถามว่าเบียบพงมีความเห็นยังไงบ้าง<ม>กับน้<ม>ําจิ้มซีฟูด้ดคือน้ําจิ้มซีฟู้ดเองเนี่ยเขาก็บอกว่าในในมุมของผมน ะ, ะน้ําจิ้มซีฟู้ดเองส่วน1นซีฟูด้ดซีฟู้คืออาหารทะเละเราต้องยอมรับ ว, ว่าอาหารทะเลเนี่ยมันจะมีมันจะมีรสชามันจะ ม, ม, จะมีมันจะมีข้อจำกัดเครื่องของกลิน่นดิฉันถามว่าคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังทานกุ้งเผานะะทานอาหารทะเล เขาเรียกว่ า, าปลาหมึกย่าง<ช>คุณทานโดยที่คุณไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดได้หรือไม่คือรสชาติรสชาติมันก็ด้วยด้วยเนื้อเนื้อสัมผัสเองเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันถ้าคุณเอาไปต้มรสชาติอีกแบบหนึง่งเนื้ อ, อแบบหนึง่งถ้าคุณเอาไปเผาออีกแบบหนึง่งเอาไปย่างเอาไปผัดอีกแบบหนึ่งน ะ, ะกระบวนการคือทั้งคุณจะเอาไปลวกลวกหรือเผาหรือไปปิ้งเนี่ย ลดเนื้อสัมผัสก็จะแตกต่างกันกลิ่นที่ได้มาก็จะต่างกันตัวที่มาชูโรงชูโรงให้ ให้รสชาติคือต้องบอกว่าคนไทยเองเนี่ยจะชื่นชอบเรื่องของเครื่องเทศรสอาหารจะเป็นรสจัดเรากินอาหารรสจัดอยู่แล้วแต่คุณจะเอาแบบเอาอาหารทะเลไปจิ้มกับน้ําจิ้มแจ่วอย่าเงี้ยมันกจะไม่กะปิมันก็จะไม่เข้ากันอะใช่ไหมคือมันถูกมันถูกดีไซน์มันถูกพัฒนาออกมาแล้วว่าลักษณะอาหารประเภทนี้เหมาะกับรูปแบบไหนแม้จะเขาบอกว่าเฮ้ยลองเอาอาหารประเภทนี้ไปแบบดัดแปลง พัฒนาใหม่ไหมเพื่อให้ให้ถูกแบบ่าขึ้นจานแบบชื่อเมนูใหม่แต่ด้วย่าเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นความนิยมความชื่นชอบแล้วก็เป็นทางการอ่ะทําไมข้าวเหนียวต้องกินกระหมูปิ้งอ่ะถูกไหมเพราะอร่อยมันมันมันจะเป็นเหมือนที่ยอมรับกันแล้วว่ามันเนมัให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันนะข้าวเหนียวกับข้าวสวยเวลากินกระหมูปิ้งมันไม่เหมือนกันใช่คือมันเป็นสิ่งที่คนเขายอมอ่าทุกคนยอมรับแล้วว่าถ้าอ่าถ้าพูดถึงตรงนี้ เขาจะคู่กันแบบนี้เขาเรียกว่ามันคู่กันมาตั้งแต่แรกจริ ง, รงๆเนี่ยต้องมองว่ามันน้าจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเขามีที่มาในการที่ทําขึ้นมาเพื่อคู่กับอาหารชนิดนั้นๆเพราะนี่นะะคือเขาเอามามาตัดรสชาติมาเพิ่มรสชาติมาชูไม่ให้เลี่ยนคือถ้าเอาบอกว่าเอาเอ า, เอาน้ําจิ้มซีฟู้ดไปทานกับคอหมูย่างก็จะไม่เข้ากันนะก็จะไปคนละเรื่องแต่บางท่านก็มีทานนะเบียพงศ์ผมว่าผมว่ามันไปคนละเรืมันไปคนละทิศทางอ่ะ คือน้ำจิ้มอาจจะเป็นยำข้อหมูย่างหรือเปล่าลักษณะอีกแบบหนึ่งแต่รสชาติก็จะคลายคลายน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่เขาก็จะมีแบบใส่ใส่หอมใช่ไหมหั่นแว่นใส่ข้อภัยกาดกระเทียมหั่นเป็นแว่นอย่างเงี้ยก็ใส่เพิ่มมากขึ้นอ๋อจริงๆผมว่าเป็นเป็นมุมมองของเขาอาจจะแบบเอ้ยมันมันมันน่าจะอย่างนี้หรือเปล่าคืออาจจะความรู้สึกคอ่านบกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของทวิตเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ชอบทานน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือเปล่านะอาจจะต้องไปต้องบอกว่าไปหารองรองจะไปเจอกับเรื่องราวที่แบบว่า มีคนกินอาหารที่มันมีน้ําจิ้มซีฟู้ดมันเป็นองค์ประกอบท้าไมเข้ากันหรือเปล่าอ่ะว่าอย่างนั้นมองในมุมหนึ่งนะแต่จริงๆบอกว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีวิธีการนะสอนทำน้ำจิ้มซีฟู้ดมีหลายสำนักมากนะแต่ละที่ก็จะต่างกันนะจะต้องทําแบบไหนขนาดนี้สูตรนี้แต่สิ่งสําคัญจริงๆคือการใช้มะนาวจริงถูกต้องที่จะทําให้รสชาตินั้นอร่อยใช่นะคะมะนาวก็ต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยมีหลายสายพันธุ์อะมีหลายมีหลายโอ้แบบน้ําเยอะใส่ จริงๆส่วนใหญ่ถ้าลูกใหญ่เดี๋ยวโฮงกลิ่นมันจะไม่ค่อยโดนใจนะแต่ถ้าเป็นลูกเล็กๆเนี่ยแน่นอนว่าว่าน้ำมันก็จะน้อยบางถ้าปึกบางจะหอมน้ําน้อยด้วยแหละแต่มันจะหอมมากๆมันแบบแบบว่าได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเหมาะกับการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแน่นอนคุณฟังบอกว่าเดี๋ยวฟังรายการเราเสร็จหรือบางทีฟังรถฟังบนรถอยู่ตอนนี้ขับไปหาร้านโตลุงตอนนี้ที่เป็นร้านปลาหมึกย่างนะผมว่าอร่อยนะใช่เขาจะขายกันตอนนี้เหรอคุณบียโฮงมีมีสิผมว่ามีอ่ะมาดูเรื่องของโครงการมา การนี้นะฮะชิมช้อปใช้เฟนสักนิดหนึอ่อา่อาคุยกัน ม, มันมีความต่างยังไงอะ่ะก็คือครั้งนี้นะฮะตั้งเป้าเพิ่มมาอีกสัก2ล้านคนนะฮะจากอรอบที่แล้ว10ล้าน เฟดใหญ่น ะ, ะรอบใหญ่รอบ1นล้านมารอบ2เพื่อปิดตัวไปนะฮะปิดตัวขันลงทะเบียนไปแล้วก็ใช้กันไปเนี่ยก็สอล้านแล้วก็มารอบใหม่ล่าสุดนะฮะวันนี้วันสุดท้ายในการลงสมัครนะฮะลงทะเบียนเนี่ยนะฮะอีกสองล่ารวมแล้วเดี๋ยวล้านคนต่อเ น, นื่องจาก1นึ่งสเนี่ยฮะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งหมดจะทั้งหมด15ล้านคนคแต่เฟดสารอบนี้ต้องบอกว่าใครที่แบบเฮ้ย รอบหนึ่งไม่ได้รอบสองไม่ได้ร้อยเดียวเที่ยวัวรไทยก็ไม่ได้ ม, มาเอารอบสามดีกว่าแ ต, แต่สิ่งที่คาดหวังว่าเอ้ยฉันจะได้ตังไปช็อปแบบที่รัฐบาลให้มาอึันนา้นอาจจะต้องแบบว่า ไม่ได้า ใ, ใ, ใจกันไปเพราะว่ารัฐบอกว่ารอบนี้ไม่มีแจกเงินนะครับใช่แล้วค่ะเรื่องราวนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณอุตมะสวรรคนายนเองนะคะบอกว่าคณะรัฐมนตรีนะคะมีการเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอขยายมาตรการชิมช็อปชายระยะที่3ามรัวเฟสานะคะหรือมาตรการขยายเพิ่มเติมจากระยะ1แล้วก็ระยะ2ค่ะโดยกระทรวงการคลังได้ขยายมาตรการดังกล่าวทั้ง2ระยะจากเดิมนะคะจะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคมปีนี้นะคะไปสิ้นสุดในวันที่31มสิกราคมปี ะะขณะที่มาตรการ ช, ชิบชับชายริยะ3เฟสสนี้เขาก็เปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวานนี้วันแรกนะคะแล้วก็จะสิ้นสุดโครงการในช่วงวันที่31มสิกรากคมปีหน้าเช่นเดียวกันโดยกระดองการคลางเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเช้าหกโมงเช้าและช่วงเย็นนะคะในช่วงของ18บแนาฬหรือว่า6กโมงเย็นนะคะไม่เกิน2ล้านคนแต่รอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเน้นนะเป็นกรณีของคนชาราหรือผู้สูงอายุ ค, ค่ะซึ่งเขาจะมีการลงทะเบียนนะคะทางอินเทอร์เน็ตได้ช้ากว่าคนหนุ่มสาวนะคะ สามารถลงทะเบียนได้เป็นกรณีพิเศษค่ะจำนวน5 0 0แสนคนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุนะคะซึ่งทำให้กลุ่มประชาชนทั่วไปนั้นมีจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้ 1.5 ล้านคนนั่นเองนะคะการเปิดลงทะเบียนชิมช็อปใช้เฟส3ครั้งนี้นะ เขามีความเห็นเพิ่มเติมด้วยนะคะผู้ฟังเนื่องมาจากว่ากระทรวงกันคลังนะคะก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและก็มีประชาชนอาจํานวนมากเลยนะคะที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการในเฟสหนึ่งแล้วก็เฟสสที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะมีการขยายโครงการนะคไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมปีหน้าค่ะซึ่งก็จะมีระยะเวลานในการครอบคลุมนะคะในช่วงเวลาสงไถ่ปีเก่าต้อนรับปีใหม่รวมถึงเทศกาลตรุษจีนนะคะในช่วงเดือนมกราคมของปีหน้าด้วยค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วนะคะ เพื่อการาครอบคลุมนะการใช้เงินงบประมาณนะคะเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ภายใตม้มาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจนะคะโครงการชิมช้อปใช้จํานวนเงิน 19,00 งล้านบาทนะคะซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยเขามีการใส่เงินในโครงการที่1แล้วก็โครงการระยะที่2ไปนะคะจํานวนนะคะในกระเป๋าใบที่1นึ่เนี่ยจำนวน1นึ่พบาทต่อคนเป็นเงินรวม1 0,000 ล้านบาทเนี่ยล่าสุดเนี่ย น, นะคะงบตรงนี้เนี่ยรัฐบาลบอกว่าเขาใช้วงเงินเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายัง เหือวงเงินในกระเป๋าที่สองอยู่อีก 9,000 ล้านบาทก็เลยนำมาเปิดในเฟสที่3นั่นเองค่ะครับผมอ่ะอก็รอติดตามดูแล้วกันนะฮะมาตรการการเข้าไปสมัครก็เหมือนเดิมนะฮะใช่ค่ะไปที่เว็บดบบชิมชอบใช้ o t com นะฮะรอ3วันแล้วก็ไปโหลดแอปอก็ไปใช้งานกันแล้วก็รอบนี้ต้องเติมเงินเข้าไปใช่ค่ะนะครับแล้วก็เขาบอกว่าผูกได้ทุกธนาคารนะแล้วก็ ไม่จํากัดพื้นที่ด้วยอ่าก็คือมาตรการ2มาตรการแรกเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้ในจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่พ ม, มิลําเนาแต่ว่ามาตรการนี้เนี่ยจะใช้ที่ไหนก็ได้และใช้ในจังหวัดที่ตัวเอยงนั้นอยู่ด้วยก็ได้นะคะส่วนความคิดนะมีคนเสนอแบบนี้ไปอยโู่โพลเขาบอกว่า ชิงโชคบ้างไหม ม, มีชิงโชคบ้างได้ไหมนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้เสนอคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาแบบนี้แล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปออกมานะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นกันนิดหนึ่งน ะ, ะครับผมเอาก็ถือว่าเป็นอีกมาตรการที่ออกมาช่วงนี้นะครับไปกันที่เรื่องราวของการเดินทางของคนเมืองกันหน่อยดีกว่าไหมฮะคุณผู้ฟงังเรื่องของส่วนต่อขยายที่มาเชื่อมต่อกันกับ<ฮ>สายเขาเรียก อ, อะไรนะสายสีม่วงนะอะ เป็นสายสีม่วงที่ไปทางบา ง, บางใหญ่นะฮะใช่ค่ะ<า>ใช่ค่ะ น, คน่าจะเพิ่งเปิดตัวมาใหม่แล้วแหละนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการเตรียมนะคะที่จะลดค่าบริการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงนะคะเหลือ20บาทตลอดสายแล้วค่ะ<อ>เดินทาง2ต่อเหลือ47บาทต่อสายต่อเที่ยวนะคะซึ่งรฟมนั้นเตรียมที่จะมีการเคาะมติในวันที่19พฤศจิกาอยู่นี้ค่ะครับผมดูแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องราวที่ออกมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับหลังจากที่ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับนายศักดสยามชิดชอบก็มานโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมไปศึกษาเรื่องของการลดภาราคาจะค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนกยกับการเดินทางรถไฟฟ้าแล้วซึ่งตอนนี้ก็บอกว่ามีค่อนข้างสูงนะใช่ค่ ะ, ะคท่านบอกว่านะฮะตอนนี้ทางราฟมอเองนะฮะท่านผู้ผว่าการราฟมในพระกระ พ, พงศิริกันทรมมาท่านบอกว่า ที่ประชุมบอร์ดของรฟมอเองเนี่ยนะฮะก็พิจารณาเรื่องของการลดภาระค่าของชีพรถไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนมาตรการแรก ม, มีอยู่2มาตรการด้วยกันนะฮ ะ, ะมาตรการแรกคือจะเปิดจําหน่ายตั๋วโดยสารร่วมนะฮะสสายความหมายคือเอาสายสีน้ําเงินกับสีม่วงเนี่ยเดินทางคู่กันะนะฮะตั๋วประเภทนี้จะคิดค่าอัตราที่ถูกลงจากปกติการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้า2 ส, สายจะเก็บค่าโดยสารสูงสุดในตราเจ็ดสบาทต่อเที่ยวก็คือ15เที่ยว นะครับ780บาทเฉลี่ยแล้ว52บาทต่อเที่ยว25เที่ยวนะฮะาราคา 1,250 บาท เฉลี่ยแล้ว50บาทต่อเที่ยวหรือจะเป็นตัวร่วมแบบ40เที่ยวราคา 1,920 บาทเฉลี่ยอยู่48บาทต่อเที่ยวหรือจะเป็น50เที่ยวผมว่าน่าจะเกือบทั้งเดือนนะนะฮ ะ, ะ50เที่ยวเนี่ยราคา 2,350 บาทเฉลี่ยแล้วก็เที่ยวละ47บาทต่อเที่ยวแต่ต้องมาดูนะฮะว่าเราไปคํานวณดูหน่อยว่าเอ๊ะเราต่อกันแบบเพราะบางทียเราไม่ได้ไปสุดสายห้คุณคอันนี้เขามองว่าสุดสายนะ แต่<จ><ช>ถ้าแบบไม่ได้เป็นสุดสายเองจะถูกเพราะมีคนออกมาคำนวณอยู่ว่าคือราคาบบนเนีนะ ราคานี้มันคือสองสายอืสองสายแต่บางคนบอกว่าเดินทางเอ้ยฉันมาแค่แบบสองสาสถานีแต่มันเชื่อมกันอะใช่ใช่ฉันซื้อแบบเดียวมันไม่คุ้มเลยอ่แบบเดียวน่าจะถูกกว่าแต่คนในที่บอกว่าโอ้ฉันนั่งมาจากบางใหญ่แล้วมาต่อสายสีน้ําเงินมาลงสยามเอออันนี้อาจจะถูกกว่าอันนี้ที่ฉันว่าคุ้มคุณซื้อห0เที่ยวไปเลยแต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยเพราะว่าห0เที่ยวก็คือ1เดือนนะคะมาตรการที่2ค่ะก็คือการลดอัตราค่าโดยสารในช่วงเวลาอ่านอกเวลาเร่งด่วนนะหรือว่าออฟพีกนั่นเองนะคะเป็นช่วงนถึงะะค แล้วก็ในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ด้วยสําหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะปัจจุบันนี้นะคะมีการเก็บอัตราค่าโดยสารอยู่ที่ 14-42 บาทต่อเที่ยวนะคะรายละเอียดที่เตรียมพิจารณาใหม่นะคะก็คือการเดินทางเข้าออกระบบสถานีแรกนะคะในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงเนี่ยเก็บค่าโดยสาร14บาทเท่าเดิมนะคะสู่สถานีที่2ค่ะเก็บค่าโดยสาร17บาทเท่าเดิมสถานีที่3เป็นต้นไปนะคะเก็บค่าโดยสาร20บาทตลอดสายค่ะนอกจากนี้นะคะรฟมอเองก็จะมีการเสนอเรื่องต่างๆที่ตกค้างให้กับบอร์ดพิจารณาด้วยนะคะ ก็คือเรื่องของการพิจารณาผลงานของผู้ว่าการรพมรแล้วก็ผลการดำเนินงานของรพมรซึ่งเพิ่งจะเพิ่งจะปิดงบไปนะคะปีหกเนี่ยปิดไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะคะส่งผลให้ยังมีเรื่องคงค้างอยู่จํานวนมากเลยค่ะอืมครับผมอ่ะเรื่องราวแบบนี้เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะใส่ถือ เ, เดินทางก็ถือว่าอาจจะยิ้มออกช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกันด้วยนะครับไปปิดท้ายกับเรื่องราวของ การเปิด ต, ตัวนะการท่องเที่ยวสัหน่อยนึงน ะ, ะดิฉันก็สนใจตรงนี้ว่าถ้ามันรวมทุกอย่างเซอร์วิสได้ในแอ ป, ปแอ ป, ปเดียวเนี่ยมันคงจะดีเพียบโฮมตอนนี้นะะต้องยอมรับนะบว่าทุกหน่วยงานเองก็อยากมีแอ ป, ปเป็นของตัวเองใช่ค่ะนะครับแต่ว่าเอาจับมือมารวมกันได้ั้มน่าจะดีกว่านะฮะรัฐกับเอกชนนะฮะมาเปิดตัวร่วมกันแอปพลิเคชันทักถ่าย t a g t h a แลวก็ i นะครับทัก บางคนบอกไม่ใช่ทักไทยเหรอเขาเล่นคํานะทักไทยท่าไอนะฮทา้ทาไอแบบว่าท่าไอ้มันแบบมือนือว่าใช้แบบออกเสียงอ่าังนุแบบเหมือนภาษาญี่ปุ่นอ่ะทาอีอะท่าอีทาอีอะทักไทยอไทยไม่ใช่แบบว่าไทยคือไทยเดี๋ยใช้ตัวตัวไอไอเล็กไงไม่ใช่ตัวตัวไทยไทยแบบทัวแบบ ไอใหญ่ที่แบบว่าภายใน<ช><ช>ไทย<ช><ช>นะฮ ะ, ะ, ะเอา้าก็บอกว่าสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างท่านแรกเลยที่มาพูดถึงเรื่องนี้นะคะประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐ า, านะประธานคณะทํางานโครงการดิจิทัลทัวริสซ์มแพลตฟอนะคะคุณกรินสรารสินบอกว่าโครงการนี้เนี่ยดิจิทัลทัวริสซ์มแพลตฟอนะคะเป็นการสร้างแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติค่ะภายใต้ชื่อแอปพลิเคชันทักไทยนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็เอกชนซึ่งเยอะ 40หน่วยงานด้วยกันนะคะมีการลงนามความร่วมมือกันไว้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะสําหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะทักไายจะมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในทุกมิตินะคะเริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวการช่วยวางแผนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังระบบการจองที่พักตั๋วเครื่องบินรวมไปถึงการช่วยเหลือด้านต่างๆของภาครัฐด้วยซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ในเฟสแรกนี้และในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็จะมีการเชื่อมโยงไปยังผู้ประกอบการใน Value แวลูเ i n การท่องเที่ยวเช่นแพ็กเกจทัวร์ สปาการขนส่งนะคะของที่ระลึกประกันภัยซึ่งจะสร้างความมั่นใจแล้วก็ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศนะคะว่าจะได้รับข้อมูลสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานมีบริการที่เชื่อถือได้และคุ้มค่ากับการใช้จ่ายค่ะครับผมในส่วนของทางด้านของผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยนะครับคุณขติยาอินทระวิชัย นะฮะก็บอกว่าได้ให้การสับสนุนในเรื่องของการพัฒนาแอปนี้นะฮะพักไทยนี้ก็จะให้ตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวอยู่4เรื่องด้วยกันมีอะไรบ้างคนคือเป็นแอปท่องเที่ยวแอปแรกนะเขาเาเหมือาจจะแครมในตัวนี้กันก่อนว่าอาจจะเป็นแอปท่องเที่ยวแอปแรกที่รวมวงจรทุกเรื่องของการท่องเที่ยวแบบ one stop service ตั้งแต่ค้นหาข้อมูลว่างแผนการจองและโปรโมชั่นพิเศษคือพนดง่ายดิฉันมองภาพนะเซิร์ชไปปุ๊บเนี่ยน่าจะขึ้นทุกอย่างครบ ในคำเดียว อ, อีกตัวหนึ่งคือวางแผนทริปท่องเที่ยวในแบบฉบับของตัวเองแบบทริปแ planning ตามสไตล์ที่เราชอบหรือท่องเที่ยวตามทริปที่ทางแอปแนะนำเอาไว้ซคือการจองตั๋วเครื่องบินพาและโรงแรมผ่านมาร์เก็ตเพลสเป็นการเชื่อมต่อกับระบบของหน่วย ง, งานที่เขาร่วมนักท่องเที่ยวก็สบายใจกับการจองที่เชื่อถือได้คเครื่องบินนี้อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ตัวโรงแรมเองเนี่ยอาจจะเป็นพวงอยู่ แต่ถ้าส่วนใหญ่เองเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องราวนี้น ะ, ะผมว่าเรื่องของโรงแรมเอง ก, ก็ก็มีทั้งส่วนใหญ่เขาดูจากรีวิวอ่ะใช่<ม>ใ ช, ใชอ่อีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าเขาก็เตรียมการกันไว้คือการแจ้งเหตุฉุกเฉินถ <S OS S 2> ้าบางีนะนักท่องเที่ยวเดินทางมาบ้านเราหรือเราไปแต่ละพื้นที่เองเนี่ย การจะไปแจ้งการจะไปหาข้อมูลบอกกล่าวคนแบบต้องหาตำรวจท่องเที่ยวให้เจอก่อนนะคุณิงบางคีแบบเอาแอปพลิเคชันนี่แหละแจ้งโลเคชันของเราน่าจะดีกว่านะฮ ะ, ะสำหรับแอปทักไทยนี้นะฮะเาบอกว่าเป็นแอปแรกที่ให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยนะท่องเที่ยวฟีเจอร์เรื่องของ SOS เจะเชื่อมทำงานกับตำรวจท่องเที่ยว แล้วก็ตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ค่ะจะให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและในอนาคตมีแผนพัฒนาฟีเจอร์อื่นๆที่เพิ่มเติมเช่น e-visa การสร้างคอนเทนต์โดยผู้ใช้งานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคือบางคนไปเที่ยวมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เวิร์กเราคิดภาพนะมันคือการรีวิวนั่นเองนะแล้วก็แบบ ให้สามารถที่จะแนะนําการซื้อแพ็กเกจทัวร์สปารถเช่าแล้วก็สวนสนุกได้คือคุณไปเช่ารถที่เจ้านี้เขาบอกดีมากเุณหยวพงก็เข้าไปในแอปแล้วก็บอกว่าโอ้โหแนะนําเลยนะที่นี่เขาดีมากจริงว่าอย่างนั้นออนะคะนนในอีกความเห็นหนึงนะคะทางด้านของสมาคมโรงแรมไทยนะคะคุณสุภาพรถนอมเกียรติภูมินะคะบอกว่าสมาคมเองค่ะก็มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องของออนไลน์โฮเทลบุ๊กคิงนะคะการรับเทรนด์ของโลกยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดวยออนไลน์โฮเทลบุ๊กคิงนี้นะคะนอกจากจะเป็นการจองห้องพักสะดวกรวดเ็วแล้วเนี่ยก็ยัง เสริมสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้าพักกับโรงแรมที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีมาตรฐานด้วยทั้งที่เป็นสมาชิกกับทางสมาคมรวมถึงโรงแรมที่ไม่ได้เป็นนะคะประโยชน์ที่เห็นชัดเลยก็คือเม็ดเงินนะคะจำนวนเงินภายในประเทศแล้วกรัฐบาลเองก็จะได้รับภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อ น, นํามาพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศต่อไปค่ะอ่ะดูเหมือนว่าก็เป็นสิ่งที่ทางภาครับพยายามที่จะ นำนวัตกรรมต่างๆมาเ ช, ชื่อมโยงให้กับคนใช้งานได้มาจุดรวมเดียวกันนะครับสิ่งหนึ่งที่การคาดหวังก็คือ Data ข้อมูลที่จะได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่ใช้ แล้วก็ติดตามกับกลุ่มนักท่องเที่ยวกันด้วยก็อยู่ที่เรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยส่วนหนึ่งให้คนได้รู้จักกับแอปพลิเคชันนี้นะคะทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติ ด, ด้วยใช่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราเกิดขึ้นในช่วงวันนี้นะครับอ้าวใครคนไหนที่อยากจะลงทะเบียนย้ำว่า6โมงเช้าแล้วก็6โมงเย็นนะครับอีก เศษวันนี้เท่าไหร่ดีผมว่าน่าจะสักล้านึงนะฮะอ่าน่าจะไม่ไม่เยอะแล้วแหละมีอยู่พอองแต่ก็ต้องดูด้วยว่าบางคนไม่ค่อยมีแรงจูงใจอะนะอ้าวคนไหนที่เคยลงทะเบียนกันไว้แล้วก็เตรียมลองทดลองใช้กันดูนะครับเติมเงินในกระเป๋าลองไปใช้งานดูก็จะได้มีบรรยากาศของการที่จะอ่าไปแลกใช้แต่ว่าก็คืนเงินอืมแต่ส่วนหนึ่งคนบอกว่าโอ้โหฉันต้องไปต่อแถวอันนัคือคือมันต้องใช้แบบว่าน้องนี่เราเห็นร้อเดียวเยเที่ยวทัวไทยนะ ฟังเห็นเห้วคุณบอกไปจองนะได้คิว 20,000 ใช่ไหมสองห0เพื่อนในชั้น2อง0 0ท่นาะนยี่รีบเข้าเลยนะไม่ได้ไม่ได้อะพอถึงคิวตัวเองมันเต็มแล้วเต็มแล้วใช่ฮะใช่ค่ะผมเลยรู้สึกว่าแบบ ตัวโปรโมชั่นร้อยเดียวเที่ยวทัวรไทยเนี่ยผมว่าผมเอาผมไม่เข้าอ่ะคือผมเอาเวลาผมเอาเวลาไปขับรถเดินทางดีกว่าชิมชอบใช้เนี่ยเราต้องบอกว่าขนาดเนี่ยในครั้งหนึ่งเนี่ยรับหลายหมื่นนะยังไม่ทันครับแต่เนี่อร้อยเดียวเที่ยวทัวไทยเนี่ยวันละหมื่นนะสองวันในหนึ่งพฤศจิกายนก็คือ1112ใช่ไหมคะแล้วก็ธันวาคมก็1 1บเด้วยเช่นเดียวกันนะคะ1 0,000 ื่นต่อวันไม่ทันหรอกไม่ทันนะาะเพราะ าก็ต้องวางแผนในการใช่นคนที่ไทยก็ซูมมาจริงนะส่วนใหญ่เขาจะซื้อตั๋วตกเครื่องบินอยู่ที่ดวงอ่ะผมว่าอยู่ที่ดวงเพราะบางทีเหมือนเราเข้าพร้อมกันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่บางคนบอกว่าเข้าพร้อมกันเป็นเกตเวย์ที่วิ่งวิ่งเข้าไปแล้ว ตัวน้าดานมันวิ่งผ่านพอดีเขาวิ่งผ่านมันก็จะเข้าสู่หน้าบอกว่าคุณกำลังอยู่ในคิวแต่คิวของคุณคือ 25,000 ื5 0 0 0อบงคนบอกแสนกว่าอย่างงี้นะฮะแต่คนสมัครจริงๆรับ1 0 0 0 0หมื่นไม่แต่จริงเข้าเหมือนว่าเขาบอกว่าถ้าจำไม่ได้จำด้ครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้เข้าไปสมัครก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะส่งอีเมลหรืออะไรมาให้เราทำานือ คือ<ำ>เขามีช่วงเวลาด้วยนะผียองในการเข้าสู่ระบบของเขาเนี่ยภายในสิานาทีถ้าไม่มีการขยับขยื่นหรืออะไรยังไงเนี่ยมันก็จะถูกผลักออกจากระบบ อ, อนะคะแต่คนเขาไม่รู้แตฉันเอาก่อนอะร้อยเดียวอะฉันไปก่อนเด็กอื่นส่วนใหญ่ไปซื้อตั๋วเครื่องบินกัน<อ>แล้วก็ไปในช่วงปีใหม่เนี่ยราคามันถูกร้อยเดียวอะ่ะใช่อื ที่พักเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีมังท่านจะกลับบ้านปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวไป ร, ร้อยเดียวนี่แหล ะ, ะแต่มไม่เป็ น, นไรนะฮะไม่ได้ร้อยเดียวเราก็เที่ยวในบ้านเราเนี่ยะนะฮะในจังหวัดของเราหรื อ, อที่ใกล้ๆที่เรา กับสนุกสนุกกับเพื่อนเพื่อดีกว่านะฮะเพราะบางทีไปรอร้อยเดียวแล้วก็เครียดบางทีแบบอ้าวร้อยเดียวกับนอนไม่หลับเลยต้องตื่นมาเพื่อจะจองอะไรเงี้ยนะโอ้เครียดกว่าเดิมอีกนะอ้าวหมดเวลาแล้วฮะกับกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ในวันนี้นะฮะพึ่งกลางเดือนเดี๋ยพึ่งเครียดกันไปยังมีเวลาอีกนะฮะเก็บแรงนะฮะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกับปีใหม่วันคริสต์มาสกันด้วยนะฮะถูกต้องแล้วค่ะนี่คือเรื่องราทั้งหมดในกรอบข่าวเช้าวันศุกร์นะคะเจอกันได้ใหม่ในสุขหน้านะคะกับเราสองคนวันนี้ดิฉันอออาาาาาาทิิิตตตยปปปกกนนละคคคุุณณพเวไ่บสรรม รัฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ